เป็นมนุษย์สักแต่ร่างไม่ปรากฏว่ามีาธรรมภายในจิตใจเลย น, นี่เป็นที่น่าเสียดายภูมิหองมนุษย์ทั้งชาติไม่มีธรรมเป็นเครื่องสถิตยอยู่ภายในจิตใจเลยนีเราทั้งหลายได้ประพฤติปฏิบัติได้นับถือพระพุทธศาสนาซึ่งเป็นสิ่งที่เลิ่ประเสริฐอยู่แล้วโดยหลักธรรมชาติของธรรมเร่งชื่อว่า เราเหมาะเราเหมาะสมทั้งได้เกิดมาเป็นมนุษย์ทั้งได้นับถือพระพุทธศาสนาและตั้งใจประพฤติปฏิบัติตามกำลังความสามารถของตนเฉพาะ อ, อย่างยิ่งทางจิตตภาวนาเป็นสิ่งสำคัญมากที่จะได้มองเห็นเหตุผลต่างๆซึ่งมีอยู่ภายในตัวของเราและภายนอกทั้งใกล้ทั้งไกลรอบด้านจะได้เห็นด้วยภาพปฏิบัติคือจิตตภาวนา การภาวนาท่านถือเป็นสำคัญที่สุดในภาคปฏิบัติของศาสนาหรือการปฏิบัติศาสนาทางพุทธกาลจึงถือภาคปฏิบัติเป็นเยี่ยมเช่นท่านกล่าวไว้ว่าปริยัตปฏิบัติปฏิเวทปริยั ต, ย ต, ยตได้จากการศึกษาเ ร, าเรียนปฏิบัติได้แก่ศึกษาเ ร, าเรียนมาเป็นที่เข้าใจแล้ว เพื่อปฏิบัติตามเส้นทิศทางเดินที่ได้เดียนมาแล้วนั้นอติเวสได้แก ค, ความรู้แจ้งแทงตลอดคือรู้ไปโดยลําดับลําดับจนกระทั่งถึงรู้แจ้งแทงตลอดโดยทั่วถึงภายในปิตใจของตนทำทั้งสามนี้เป็นสิ่งที่เกี่ยวเนื่องกันแล้วปริยัตนั้นในขั้งพุทธการส่วนมากท่านเรียนเฉพาะเรียนจากพระโอษฐของพระพุทธเจ้ามากกว่าอย่างอื่น สับผู้จะเป็นสาวกอรหันละหันส่วนมากเรียนจากพระโอษฐ์ของพระพุทธเจา้าเรียนอย่างไรขณะที่ท่านบวชท่านต่งสอนตั้งใจบรรยากาศกรรมฐานเช่นจะว่าเอหิปิคูปสัมมาทาท่านจะเป็นพิจุมาเถิดทำเหล่ากล่าดดีแล้วนี่ก็สอนธรรมเป็นเครื่องนาเนินการสอนธรรมเป็นเครื่องนาเนินนั่นแหลเป็นการให้โอวาตผู้ที่ สดับสับฟังในขณะที่พระองค์ท่านให้พระประทานพระโอวาทก็ชื่อว่าการเรียนด้วยและการปฏิบัติไปนในตัวด้วยการเรียนวสิงนั้นเป็นนั่นสิงนั้นเป็นนั้นเป็นท่านสอนวเกสาโลมานาาทันตาตะโจังนี้เป็นต้นนี่คือท่านสอนเราเรียนให้ทราบวาเจสาคืออะไรโลมานาคาทันตาตะโจแต่แตและอย่างละอย่างคืออะไรอะไรพระพเจ้าผสอนสภาพความเป็นอยู่ความเป็นไป ของสิ่งเหล่านี้ที่มีอยู่กับตัวเองแล้วเข้าไปถึงอาการสามสิบสองทุกนี่ทุกมุมโดยลำหนับให้ทราบว่าสิ่งนั้นเป็นนั้นสิ่งนั้นเป็นนั้นแล้วความเป็นอยู่ของสิ่งนั้นความแปรสภาพหรือความเป็นไปของสิ่งนั้นเป็นไปอย่างไรและธรรมชาตินั้นคืออะไรแน่ตามหลักความจริงของมันให้เราทราบก็จะแก้สมมติที่เป็นเครื่องผูกพันติดใจเรามานานทางสมมติเราว่าสิ่งนั้นเป็นนั้นสิ่งนั้นเป็นนั้นก็จริง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 ที่สืบเนื่องมาจากการได้รึกษาจากพระพุทธเจ้ากลายเป็นปฏิเทศไปโดยหลหนักสํานักอย่างนี้ข้างพุทธการท่านสอนกันอย่างนี้เป็นส่วนมากมีความหนักแน่นมั่นคงในการประพฤติปฏิบัติยิ่งกว่าสิ่งอื่นใดตรง น, นี้ที่ทัานกล่าวไว้ว่าเป็นพระธรรมวินัยทรเป็นพระวินัยทรเป็นธรรมกถึกนี้ก็มี เป็นนักเทศแต่ธรรมกัตถ์ของพระอรหันต์ผิดกับธรรมกัตถ์ทั่วทั่วไปพระธรรมกัตถึกก็เช่นอย่างพระพระปุญญมนาตมนตานีบุตรท่านเป็นธรรมกัตถ์เอกส่นมากท่านยกเอาสัญเลขกถารเป็นเครื่องแสดงสัญเลขาถาคือ กล่าวถึงลมคำขาดเก่าที่เละทั้งนั้นนับแต่อปิตคตาขึ้นไปจนกระทั่งถึงยงมุติยมุิาทัศนะนิทันมร์แสดงเสมอพระพุทธเจ้าทรงยกให้เป็นเอะในทางธรรมกถึกรือวเป็นธรรม ก, กถึกะเอกพระปุรนันตานีบุตรท่านสอนด้วยเหตุด้วยผลด้วยความจัดความจริงซึ่งออกมาจากปิตใจของท่านที่รู้แล้วจริงๆ ไม่สอนแบบรูปร ป, ปคำๆตามที่อเรียนมาซึ่งตนเองก็ไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรแน่เพราะจิตใจ ย, ยังไม่สัมผัสธรรมเป็นแต่ยังจำชื่อของธรรมได้เท่านั้นส่วนพระปณิปนนบุตรนั้นท่านเป็นพระราหาันด้วยรู้แจ้งสัจธรรมทั้งสี่ได้โดยตลอดทัื่อถึงด้วยเพราะฉะนั้นท่านจึงกลา่าวสัจเลขาธรรา ทั้งสิประการนี้ได้โดยถูกต้องทองแท้ไม่มีอะไรขาดเพื่อนจากหลักความจริงเพราะจิตท่านทรงหลักความจริงไว้เต็มส่วนนี่ธรรมกัตถกที่เป็นอัตเป็นธรรมเป็นความถูกต้องมีงามแท้เป็นอย่างนั้นส่วนธรรมกัึกที่มีที่เหลือมันผิดกันอันนี้เราไม่ต้องกล่าวไปมากทั้งกฎการก็ยังมีอยู่บ้างเหมือนกันเป็นบางองค์ก็ มีลูกศิษย์ลูกหาเป็นจำนวนร้อยๆที่ไปเรียนทำกับท่านเรียนเหนือเดียวกับปริยาตจนถึงบางองค์พระพุทธเจ้าได้ทรงตำหนิด้วยทรงเห็นลุปนิสัยของท่านเช่นท้าโปธิลาชเป็นต้นมีท่านเป็นผู้ทรงทำไว้ในมากมายกายคองเป็นพระผู้สูตรแต่ไม่ใช่พระผู้สูนย์ดังพระอนนุ์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 ถ้าบทิรัตยินมีความเฉลดใจตนเองขณะที่เข้าไปเฝ้าท่านทรงย่ำแล้วย่ำเล่าอยู่นั้นแหละพธิรัตก็แปลว่าใบลานเปล่าเรียนเปล่าๆกลุ่มยังไงบอกหัวล้นเปล่าๆก็ว่าไปเลยอืย่างท่านอาจารย์มัน่นท่านเทศอย่างนั้นเรียนเปล่าหัวล้นเปล่าอืกินเปล่านอนเปล่าท่านว่าไปเลยท่านแปลจากโบทิรัตอันเดียวกันนเองคือท่านสอนพระนี่ท่านยกย่องเรื่องของพระ โปรตัมาพูดให้เป็นประโยชน์สำหรับพระสำหรับพระผู้ที่ฟังอยู่ในขณะนั้นซึ่งมุ่งถือประโยชน์อยูดด่แล้วเต็มอย่างเต็มใจฟังเวลาท่านทรงเรียกพระโปรติลัสก็มีโพธิลัสเข้ามาโปรติัเธอจงไปอะไรกับโปริลัโติลัสแล้วไบลันเปล่าใบลับนปเปล่าเลียนเปล่ปาเปล่าแก้ท่เหลือตัวเดียวก็ไม่ได้เลียนเปล่าเปล่าที่เหลือมากพอกปูนขึ้นโดยลําดับอะไรท่าน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 ซึ่งสำนักนั้นล้วนแยะตั้งแต่เป็นพระรหันธ์ทั้งนั้นนับตั้งแต่พระมหาเถระลงไปจนกระทั่งถึงสามมณี น, น้อยเป็นพระรหันธ์ด้วยกันทั้งหมดเหตุที่ท่านจะออกไปท่านเกิดความโุกสังเวชว่าเราก็เรียนมาถึงขนาดนี้แทนที่พระพุทธเจ้าจะทรงชมเชยในการศึกษาเราเรียนมาไม่มีเลยมีแต่เอะอะก็โปธิรัตโปธิรัตโปธิรัตไปเสียหมดทุกแง่ทุกมุมไม่มีแง่ใดที่จะทรง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 แยงคมอย่างลึกๆเพราะฉลาดออกมาจากหลักธรรมชาติเวลาเข้าไปมอบการถวายตัวต่อท่านท่านก็หาอุบายํำตนพูดต่างๆนานาเพื่อจะหลบเลี่ยงตนเองหรือจะเป็นอุบายก็อะไรก็ยากที่จะคาดคะเนถึงท่านได้ท่านก็เป็นผู้ศึกษารเรียนมาจนถึงขนาดนี้แล้วเป็นพระอาจารย์ มาเป็นเวลานานจะให้พวกผมสอนท่านอย่างไรได้ผมไม่มีความสามารถ <N> นะแต่าวังอันตอนท่านเป็นพระหลานท่านลองไปถามท่านตรนั้นลองดูบางทีท่านอาจจะมีอุบายแนะนำสสอนท่านได้ท่านก็ไปจากองค์นี้แล้วไปทายตัวต่อองนั้นองค์นั้นก็หาวายพูดแบบเดียวกันแล้วก็ไหาองค์นั้นให้ไปหาองค์นั้นให้ไปหาองนั้นองคไหนพูดแบบเดียวกันไปนหมดจนกระทั่งถึงสามเณรองสุดท้าย <N> าก็ไปพูดแบบเดียวกัน คือขอถวายตัวเป็นลูกศิษย์เนนก็พัพูดทํานองเดียวกันท่นี้พระมหาเถระท่านเห็นถ้ามาการหรือว่าท่านจะหาอุบายต้อนเนนเข้าสู่พระองค์นี้หรือว่าต้อนพระองค์นี้เข้าสู่เนนก็เราก็คาดไม่ได้เหมือนกันภาพยากเ ล, ลองทดลองดูดูที่เนนว่าจะความีิ้บายสังส่งสอนท่านได้ไหมตุลลงก็เลย ท่านก็มอบกายไว้ตัวต่วเอเมนนั้นทันทีแล้วเนนนั้นก็สอน เ, อเราก็ฟังที่เรามันน่าฟังที่เนนสอนพระมหาเถระหาวบาลสอนด้วิธีต่างๆเช่นแบบให้พระมหาเถระแป้นนั้นมาให้ให้แป้นนี้มาให้บ้างและให้คลองกีวรเช่นต้องการสิ่งของอะไรวัตถุอะไรที่อยู่ในน้ําแล้วให้พระมหาเถระคลองค่าไปถ้าจะเปรียบ ทีวอนจริงๆก็ให้ขึ้นมาเสียอะละไม่เอามันลึกว่ะหาเอาใบอืความจริงเป็นการทดลองทางงา น, นพระมหาเทระองค์นั้นก็ที่เป็นธรมรมกถึกเอกนั่นอ่ะไม่มีขัดสมกับคําที่ว่ามอบ ก, กายถวายตัวจริงๆเน้นสั่งให้ไปไหนไปหมดบางทีให้ไปเอาอะไรอยู่ในกอไผ่น้นําหนามนู่นโรคๆนู่นก็ท่านก็ไปแล้วให้คลองผ้าไปด้วยท่านก็ไป เวลาถึงน้ำจริงๆท่านก็ให้ถอยมาแล้วไม่เอามานันลําบากอ่ะน้ำเกาะผ้ามางอะไรหาว่ายหลายแย่หลายมุมจนกระทั่งทราบทัดว่าพระะพระองค์นี้ไม่มีทิ่ติมานะเป็นผู่มุ่งหน้าต่อธรรมจริงๆแล้วท่านถึงได้สอนเน้นนะสอนเวลาท่านจะสอนนก็หาอุบายสอนนี่จอมปลวกแห่งหงมีรูอยู่เจ็ดหกรู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 พระ อ, องค์ก็ทรงสั่งสอนและถ ก, ก่อนที่จะประทานโอวาทก็ถามเปียงไงเนนลูกศิษย์ของเธอเปียงไงบ้างนั่นอเองเนนก็ถูกกราบทูลว่าเป็นผู้ลทิฏฐิมรณะทุกสิ่งนะ ท, ท, ท, ทุกอย่างเป็น ท, ที่น่าสงสารมากไม่มีทิฏฐิมรณนะอนไรที่แสดงขึ้นเลยแม้จะเป็นผู้เลเรียนมากและเป็นมหาขนามหาเทระก็ตามแต่กิริยาอาการที่ขึ้นแสดงขึ้นความสนใจเป็นที่ เป็นความอ่ด น, น้อมถ่อมตนเป็นความสนใจที่อยากรู้อยากเห็นในความจริงทั้งหลายอยู่ตลอดม า, าพระพุทธเจ้าทรงสอนปัญญาเวชยติภูริปัญญาที่เปรียบเหมือนแผ่นดินพยายามทําปัญญาให้มีความมั่นคงเหมือนแผ่นดินแล้วสามารถที่จะแทงทะลุอะไรๆได้หมดเพราะความแน่นหนา ม, มั่นคงเพราะความเฉียบแหลมของสติปัญญาพระองค์ก็ทรงสอนนิปัจนาในขณะ น, นั้น แยกธาตุแยกขันธ์ไอสตนะส่วนต่างๆออกมานั่นเป็นนั่นอันนั่นเป็นนั่นอันนั่นเป็นนั่นให้พระมหาเทระนั่นเข้าใจโดยลําดับๆดบโดยทางยิปัตสนาออกจากนั้นก็นมาแยกถึงนี่แหละพูดถึงพวกรูปพวกเวทนาสัญญาสังขารนึ่งอย่างแต่ละอย่างละอย่างมันเป็นอาการของปิดส่วนมากปิดไปหลงอาการเหล่านี้จึงไม่ทราบตัวของตัวยี่ไหนไปอิงอยู่กับอาการคือรูปว่ารูปเป็นตนมั่งว่า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 เพราะฉะนั้นตงใช้ปัญญาพินิปิญญาให้เห็นตามความจริงของมันเวลาพระพุทธเจ้าท่านตรงประทานบว่าให้ดูให้ชัดเจนรูปมีอะไรเรียกว่ารูปมันผสมส่วนกับอะไรบ้างคำว่ารูปนี้มีกี่อาการอาการหนึ่งคืออะไรอาการที่สองที่สามแต่คืออะไรแล้วรวมกันอยู่นี่เรียกว่ารูปสภาพความมนอยู่ของมันเป็นอย่างไร เป็นอยู่ด้วยการบำบัดรักษาเป็นอยู่ด้วยความปฏิบูรณ์โสโภคเหมือนกับปาชา้าผีดิบเป็นอยู่ภายในร่างกายนี้แต่เราก็ยังมีความดื้อด้านอาจฐานถือว่านี้เป็นเราเป็นของเราไม่ทราบว่าสิ่งนี้เป็นของสกปรกโสมมเป็นกองที่จังทุกข์งตาเป็นป่าชา้าผีดิบบ้างเลยนะพระเจ้ารงสั่งสอนเพราะฉะนั้นจงพิจารณาสิ่ง น, นี้ให้เห็นตามความจริงของมันพูดแล้วในหลักธรรมชาติของมันก็คือธาตุด้วยนเข้ามาก็คือสกลากาย เต็มไปด้วยผูกโพโโรงหิกน้ำเนอาน้ำหนองเต็มไปหมดอันใดสิ่งใดที่จะควรยึดว่าเป็นเอาเปน็นเราด้วยความตเหน็ดใจไม่มีเลยจึงขอให้พิจารณาโดยตามตามหลักความปีงข้องมันทั้งความเป็นอยู่ทั้งความสลายทั้งความแตกตับทําลายลงไปมันไปเป็นนัน่นเป็นนั่นคือเป็นธาตุลงไปเป็นธาตุธาตุดินธาตุน้นนำธาตุลมธาตุไฟส่วนเมธนาเขาพิจารณาแยกแยะให้เห็นความจุกก็ดีความทุกข์ก็ดีความเฉยเฉยก็ดีมันเกิดขึ้นทัางทางการและทางใจ เป็นแต่สักว่าอาการอันหนึ่งเกิดขึ้นเท่า น, นั้นทุกปรากฏขึ้นมาก็เป็นความจริงอันหนึ่งของมันตัวมันเองก็ไม่ทาราบความหมายของมันการที่เราไปให้ความหมายนให้มันนั้นก็เท่ากับผูกมัดตนเองเท่ากับเอาไฟมาเผาลมตนเองเพราะความลุ่มหลงนี่เองจึงไปให้ความหมายเข้าในทางที่ผิดโดยที่ถือว่าเขาเป็นเราทุกข์ก็เป็นเราเป็นไฟทั้งกองก็ยังเป็นเราอะไรอะไรก็รรเป็นเราอะไรก็เป็นเราหมดหาตัวเราไม่เจอจึงเจอแต่ความทุกข์นี่เพราะความลุ่มหลงนี่ตนสอน สัญญากัคือความจําจําแล้วหายไปจําแล้วหายไปต้องการก็จําขึ้นมาใหม่มีความเกิดความดับความเกิดความดับประจําตนของเขาทั้งทั้งเบชนาทั้งสัญญาทั้งตั้งขานทั้งนิยาณมีลักษณะเช่นเดียวกันถ้าพิจารณาจริงหนึ่งให้เข้าใจโดยจแจ้งชัดเจนหรือประากาศด้วยปัญญาแล้วอาการตั้งหา้า น, นี้มันเหมือนกันหมดไม่ใช่เมื่อสรุปความนั้นแล้วไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราทั้งนั้นเป็นความจริงของเขาแต่ละอย่างอๆเรียกว่าเป็นอาการของขนัน ส่วนนี้ส่วนนามธรรมก็เป็นอาการมาจากจิตส่วนรูปก็เป็นเรื่องของรูปอันหนึ่งต่างหาแต่เพราะใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานสุดท้ายก็ใจเป็นบ่อยเขาเพราะรับใช้สิ่งนี้ด้วยความรุ่มหรูงตัวเองนั่งถือว่าเขาเป็นเราเป็นเราก็เท่ากับถือเขาเป็นนายเรางานตามสินักปราชญ์ท่านสอนเราระว่าเป็นเราเป็นของเรา เราภาคภูมิใจกับคำว่าเรากับธรรมะของเราเหมือนกันเรามีอำนาจวาสนาในสิ่งเหล่านี้เป็นผู้ปกครองนี้ความปิ่นเราเป็นคนรับท้ายสิ่งเหล่านี้ลุ่มหลงก็คือเราในเรื่องความทุกข์ความลําบากมากระทบกระเทือนก็คือมากระทบกระเทือนเราแบกหามสิ่งเหล่านี้ก็คือเราแบกหามด้วยสงนี้ด้วยความรุ่มความหลงก็คือเราผลสุดท้ายเราเป็นคนแย่เพราะความรุ่มหลงเพราะฉะนั้นจึงแยกสิ่งเหล่านี้ออกให้เห็นตามความจริ่นของมันจิตจะได้ถอนตัวออกมา อูตามหลักธรรมชาติของต น, ต, น, นต่างอ้นต่างอันต่างปิ่งไม่กระทบกระเทือนกันแล้วก็จะปวดเพื้องภาระทั้งหลายที่เกิดขึ้นจากความยึดถือที่เรียกว่าอุปทานใจจะเบาไปโดยลำดับเมื่อละได้ขาดโดยสมบูรณ์แล้วเรื่องใจกับขันก็จะทราบกันตามความจริงของมันแล้วมยึดไม่ถือกันความอสงวนกับเรื่องขันเพราะอํานาจแห่ง อ, อุปทานนี้ไม่มีเนี่ยอยให้พิจารณาเข้าไปถึงตัวจิตนั่นแลคือเหี้ยจริงๆ อยู่ที่จิตตัวเฮี้ยจริงๆมันออกช่องนี้ที่นี่พิจารณาตัวช่องมาเลยจนกรทั่งเข้าไปหาตัวของมันคือตัวเฮี้ยจริงๆคืออะไรตัวเฮี้ยจริงก็คือจิตจิตคืออะไรก็คือรังแห่งวัตจักเพราะกิเลสอาสวะส่วนละเอียดที่สุดฝังจมอยู่ภายในจิตโดยไม่รู้สึกตัวจึงต้องใช้ปัญญาพิจารณาแยกแยะ ก, กาหนดเอาจิตนั้นเป็นเป้าหมายอย่างการพิจารณาเช่นเดียวกับ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 เราพูดตามหลักของการพิจารณาแล้วจิตก็เป็นตัวอนิจจังเป็นตัวทุกขังเป็นตัวนัสตาเพราะมีสมมุติแทรกอยู่ในั้นจึงต้องเป็นลักษณะสามได้คือเป็นไตรลักษณ์ได้ฟาดฟันหั่นแหลกลงไปที่ตรงนั้นโดยไม่ต้องถือมั่นว่าจิตนี้เป็นเราจิตนี้เป็นของเราให้เพียงแต่ว่าไม่ยึดมั่นถือมั่นในรูปเวทนาสัญญาสังขารว่าเป็นเาเป็นของเรายังกําหนดให้พินให้เห็นชัดเจนในจิตนี้อีกว่าควรจะถือเป็นเราเป็นของเราหรือไม่กําหนดลงไปพิี่ณา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 ทั้งทั้งที่ทุกสิ่งทุกอย่างสลายตัวไปแต่ความรู้นั้นกลับบริสุทธิ์ขึ้นมาไม่สลายหรือไม่คิดหายไปกับกิ่งทั้งหลายเลยนี่เรียกว่าจับตัวเหี้ยได้แล้วเหี้ยใหญ่คือตัวนี้เองนีทน่ท่านพูดไว้ในตำร า, าท่านว่าจับตัวนี้ได้แล้วก็เป็นพูดสิ้นจากทุกขะโพธิทัตก็ได้หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะในขณะที่พระพุทธเจ้าประธานพระอวาทจบลงในขณะนั้น พอเข้าถึงจุดอันนี้จุดตัวเหี้ยใหญ่นี่ให้ทําลายตัวเหี้ยใหญ่นี้ให้ได้ด้วยปัญญ า, าปัญญาเวชัยเตภูริทําทปัญญาให้เป็นเหมือนแผ่นดินมั่นคงต่อความจริงทั้งหลายทีรณาให้เข้าถึงความจริงให้รู้ความจริงสมกับปัญญาคือความจริงอันแหลมคมมากนะนี่ก็ให้ยังเข้าไปถึงจุดยอดแห่งกิเลสทั้งหลายคืออะไรก็คือจิตที่เต็มเพื่อวิชานั่นเองเมื่อพิจารณาธรรมชาตินี้ให้ แต่กระจายออกไปแล้จิตก็บริสุทธิ์เมื่อจิตบริสุทธิแบบ์แล้วคำไม่เี้ยก็เรียกว่าจับได้ก็ถูกถึงตัวจริงของธรรมก็ถูกหมดปัญหานการพิจารณาธรรมท่านสอนอย่างนี้พระพุทธเจ้านี่ล้วพูดถึงเรื่องปริยัติปฏิบัติปฏิเวสในขั้งพุทธการก็มีมาอย่างนั้นเหมือนกัน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 ตามหลักธรรมที่เราได้ร่าเรียนมาแล้วมันก็เท่ากับว่าแก้วคืออะไรนั่นแหละรมคืออะไรเราก็ไม่ทราบสมาธิคืออะไรใจเราไม่เคยสัมผัสเพราะไม่เคยนั่งสมาธิปัญญาคืออะไรเราก็ไม่ไม่ได้สัมผัสอิกเพราะเราไม่ได้เจริญปัญญาทางทางด้านการปฏิบัติ วิมุตคืออะไรเราก็ไม่ทราบเพราะจิตเราไม่เคยหลุดพ้นเนื่องจากจะสั่งสมนอกจากจะสั่งสมกิเลสให้เต็มหัวใจจนแบกไปไม่ไหวนั่งอยู่ก็ครางนอนอยู่ก็ครางไปไหนก็บ่นเป็นทุกข์ยุ่งไปหมดทั้งๆ ท, ที่ตนสาคัญว่าตนฉลาดเรียนมามากแต่ก็บ่นให้ทุกข์ซึ่งมีอยู่เต็มหัวใจไม่ได้วายแต่ละวันวนี่เพราะฉะนั้นเพื่อทราบธรรมชาติความจริง น, นี้แล้วให้หายบ่น จึงต้องเรียนให้เข้าถึงความจริงให้สัมผัสสมาธิเป็นอย่างไรให้สัมผัสด้วยการปฏิบัติภาวนาของตนปัญญาเป็นอย่างไรให้สัมผัสด้วยการปฏิบัติของตนความบริสุทธิ์หรือวิมุตติเป็นอย่างไรให้ได้สัมผัสกับใจตัวเองแล้วจะไม่ถามใครแม้พระพุทธเจ้าจะปร ะ, ประทับอยู่ที่ตรงหน้าเรานี้ก็ตามจะไม่ทูลถามพระพุทธเจ้าให้พระองค์ําคาญเลยและให้เราเสียเวลาเวลาเลย แสดงความโง่ความหลงออกมาทั้งๆ ท, ท, ที่ตนรู้แล้วใครจะไปแสดงออกมาก็รู้แล้วถามทำใหม่นะเพราะความเขีนเสมอกันคําว่าสันทิฏฐิโกผู้ปฏิบัติจะพึงรู้เองเห็นเองนั้นพระพุทธเจ้าไม่ทรงผูกขาดมีไว้สําหรับผู้ปฏิบัติโดยทั่วกันตั้งแต่ครั้งนั้นมาจนกระทั่งถึงบัดนี้ตามหลักธรรมที่ท่านสอนไว้ไม่มีเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใดตั้งแต่ครั้งคุตการมาจนกระทั่งถึงบัดนี้ ทำเป็นธรรมชาติที่คงเส้นคงวาสมอมาถ้าผู้ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักทำนั้นแล้วเรื่องมรรคผลนิพพานไม่ต้องไปถามใครจะพึงขุดค้นขึ้นมาได้ด้วยขอบปฏิบัติคือศีสญญอออลสมาธิปัญญานี้เท่านั้นไม่มีอย่างอื่นอย่างใดที่จะมาปิดกั้นมรรคผลนิพพานให้สิ้นเียตสิ้นสมัยและไม่มีสิ่งใดที่จะขุดค้นมรรคผลนิพพานขึ้นมาให้รู้เห็นได้นอกจากการประพปฏิบัติด้วยศีลสมาธิปัญญานี้เท่านั้นเพราะฉะนั้นหลักมากคแปดคือ สมาธิิเป็นต้นมีสมาธิที่เป็นสุดที่ท่านเรียกมัชฌิมานี้จึงเป็นธรรมสาคัญหรือเป็นธรรมสม่ำเสมอเป็นธรรมศูนย์กลางในการแก้ที่เดืออาสวะทั้งหลายตลอดมาตั้งแต่น้อนจนกระทั้งถึงบัดนี้และตลอดไปไม่มีทางที่ผุดต้องเป็นมัชฌิมาปฏิบัติกับผู้ปฏิบัติโดยถูกต้องอยู่มั่นโดยลำดับนะผลที่จะพึงได้รับจากการปฏิบัติจะไม่ต้องไปถามใคร ขอให้ดาเนินตามหลักธรรมนี้ให้ถูกต้องเท่านั้นเป็นที่เหมาะสมอย่างยิ่งที่ควรจะได้รับผลปรากฏขึ้นภายในจิตใจของตนที่ว่ามรรคผลนิพพานสิ้นเฉียดสิ้นสมัยไปแล้วนั่นก็คือคนไม่เคยปฏิบัติคนไม่เคยสนใจกับธรรมะเราจะไปรู้เรื่องว่ามรรคผลนิพพานว่าสิ้นเฉียดสิ้นสมัยได้อย่างไรก็ อ, อุตตริพูดไปอย่างนั้นตามความโง่งเง่าตาตุต่ของตนเองนอกจากนั้นก็ทําคนอื่นให้โง่ไปด้วยถ้าพู้ต้องการจะโง่อยู่แล้วโง่ได้ปีนปีก พ่อคำทำคำคำนี้เป็นคำพูดที่โง hmm. ถ้าผู้ปฏิบัติเพื่อมีเหตุมีผลเพื่อพุทธทางสังอิชฌานนี้แล้วจะไม่สนใจกับคำนี้เลยจะสนใจหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสอนไว้แล้วปฏิบัติตามนั้นนั่นแหละเป็นสิ่งที่เหมาะสมและถูกต้องที่สุดเหาทั้งหลายได้นับพระโอวาทคือาศาสนธรรมจากพระพุเทธเจ้ามาโดยถูกต้องแน่นอนแล้ว